โลกุตรภูมิการที่เข้าใจโลกุตรภูมิได้ชัดเจนเราจำเป็นจะต้องรู้เรื่องที่ตรงกันข้ามกล่าวคือโลกยะภูมิด้วยเหมือนกันโลกิยะภูมิก็คือระดับของจิตที่สิ่งต่างๆในโลกมีอิทธิพลเหนือจิตแบ่งโดยสรุปที่สุดออกเป็นสามพวกกล่าวคือกามาวจรภูมิ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 ส่วนพบหมายถึงภาวะเป็นอยู่ที่เหมาะสมแก่ผู้ที่มีภูมิแห่งจิตใจเช่นนั้นเช่นนั้นฉะนั้นผู้ที่ติดอยู่ในกามาวจรัภูมิก็คู่กับกามาวจรัปพบรูปาวจรัภูมิก็คู่กับรูปาวจรัปพและอรูปาวจรภูมิคู่กับอรูปาวจรัปพคําว่าภูมินั้น หมายถึงสถานะทางจิตใจคำว่าภพหมายถึงภาวะที่เป็นอยู่ที่อาศัยของผู้ซึ่งมีจิตใจต่างๆกันจึงแบ่งได้เป็นสามภูมิสามภพโลกิยภูมิคือสถานะทางใจของสัตว์สามัญทั่วๆไปแม้จะมีสมมุติเรียกชื่อต่างกันเป็นมนุษย์เป็นเทวดาพรหม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 ตกอยู่ใต้อิทธิพลของความอร็่อร่อยทางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแต่ในบางคราวบางโอกาสอาจจะพ้นออกมาได้จากอิทธิพลของสิ่งยั่วยวนเหล่านี้ได้เพราะอาศัยจิตให้ไปจดจ่ออยู่ที่ความสงบอันเกิดจากการเพ่งที่รู ป, ปธรรมหรืออรู ป, ปธรรมเป็นอารมณ์แล้วแต่การเพ่ง ฉะนั้นในบางคราวจิตของมนุษย์เราจึงอยู่ในลักษณะที่เป็นรูปาวัจรภูมหรืออรูปาวัจรภูมก็มีสำหรับในอินเดียครั้งสมัยพุทธกาลนั้นนับว่ามีมากเพราะว่าผู้ที่ออกสแสวงหาความสุขสงบชั้นรูปาวัจรภูมหรืออรูปาวัจรภูมนั้นอาจจะกล่าวได้ว่ามีอยู่ทั่วๆวไปในป่า สำหรับบัตรนี้มีน้อยแต่ถึงอย่างนั้นก็กล่าวได้ว่าเป็นฐานะที่คนทั่วๆไปจะเข้าถึงได้อยู่นั่นเองทั้งยังกล่าวได้อีกว่าเมื่อใดจิตใจของผู้ใดตั้งอยู่ในภูมิใดเมื่อนั้นภาวะที่เขากาลังอาศัยอยู่นั้นก็จะกลายเป็นภพที่มีชื่อนั้นไปทันทีเช่นใครคนหนึ่งในโลกนี้ กำลังเป็นสุขอยู่ด้วยรูปาวจรสมาบัดโลกนี้ก็กลายเป็นรูปาวจรพบสาหรับเขาไปเพราะเขาไม่รู้สึกในสิ่งอื่นใดนอกจากรูปาวจรภูมิโลกนี้ขณะนั้นและสาหรับเขาผู้นั้นก็มีค่าเท่ากับรูปาวจรพบไปจนกว่าฐานะแห่งจิตใจของเขาจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่น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 มีการประกอบกรรมต่างๆด้วยอำนาจของความอยากนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่เรียกว่าอยู่เหนือวิสัยโลกไม่ใช่โลกุตรัภูมิจึงจัดไว้เป็นโลกียภูมิส่วนโลกุตรัภูมินั้นมีจิตใจอยู่เหนือวิสัยชาวโลกมองเห็นสภาพของโลกเป็นของไม่มีสาระตัวตนที่เป็นแก่นสารใจไม่ต้องการสิ่งใดๆในโลก พวกที่ตั้งอยู่ในโลกุตระภูมินี้ยังแบ่งออกเป็นชั้นๆตามหลักพุทธศาสนาเป็นมรรคเป็นผลสี่ชั้นด้วยกันคือชั้นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ความเป็นพระอริยะบุคคลสี่จำพวกนี้หมายถึงโลกุตระภูมิคำว่าโลกุตระ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 เป็นโล ก, กุตระภูมิโดยสมบูรณ์ในกิเลสชั้นละเอียดที่ผูกพันคนเราสิบประการนี้ประการแรกเรียกว่าสักกายทิฏฐิแปลว่าความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของตนได้แก่ความเข้าใจผิดหรือสำคัญด้วยอุปาทานเช่นคิดว่าตัวเรามีอยู่นั่นแหละคือความสำคัญผิดในที่นี้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 ก็เข้าใจไม่ได้ที่เข้าใจได้บ้างก็ยังลังเลความรู้สึกฝ่ายต่ำมีอยู่ในสันดานส่วนความรู้สึกฝ่ายสูงนั้นเพิ่งจะก่อรูปขึ้นใหม่การโต้แยง้งกัน ร, ระหว่างความรู้สึกฝ่ายสูงกับฝ่ายต่ำนั่นแหละคือการลังเลถ้ากำลังใจไม่เพียงพอความรู้สึกฝ่ายต่ำมักชนะ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 ทีนี้มาถึงสังโยชน์ข้อที่สมเรียกว่าศีลับพัตตปรามาตแปลว่าการจับฉวยศีลและวัดผิดจากความมุ่งหมายที่ถูกต้องโดยใจความก็คือการติดแน่นยึดมั่นอยู่ในสิ่งที่ตัวเคยประพฤติปฏิบัติมาด้วยความเข้าใจผิดส่วนมากเกี่ยวกับลัทธิประเพณีตัวอย่างเช่น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 โดยยึดมั่นในทํานองไร้เหตุผลหรือเห็นเป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วก็เป็นสีลับพตรปรามาส ท, ทั้งสิน้นแม้ที่สุดสมาทานศีลปฏิบัติสิกขาบทด้วยความคิดว่าตนจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์อย่างนี้ก็ไม่ต้องสงสัยเลยย่อมเป็นการจับฉวยสีและวัดผิดความมุ่งหมายของพุทธศาสนาไป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 ฉะนั้นขอให้เข้าใจว่าแม้การปฏิบัติในวงของพุทธบริษัทเราถ้าทำไปด้วยความสำคัญผิดจนกิเลสตัณหาเข้าครอบงำเช่นความหวังในทางขรังทางศักดิ์สิทธิ์เมื่อใดแล้วก็จะกลายเป็นสีลับพระตบปรามาทไปแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ชาวบ้านเราชอบทำกันอยู่ทั่วๆไปเช่น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 ก็ย่อมเป็นการปฏิบัติผิดความมุ่งหมายเต็มร้อยเปอร์เซนต์โดยไม่ต้องสงสัยเรื่องการประพฤติผิดต่อความประสงค์ที่ถูกต้องนั้นนับว่ามีดาา ด, ดื่นอยู่ทั่วทั่วไปในวงพุทธบริษัทเป็นการทำไปอย่างงมงายไร้เหตุผลทำให้ข้อปฏิบัติหรือระเบียบที่ดีงามอยู่แล้ว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 ถ้าละได้เด็ดขาดลงไปจริงๆก็เรียกว่าได้ตั้งอยู่ในโล ก, กุตระภูมิอันดับที่หนึ่งคือเป็นพระโสดาบันไปแล้วการละกิเลสสามประการ น, นี้ได้เด็ดขาดไม่ควรดูเป็นของยากเลยเพราะกิเลสทั้งสามอย่างนี้เป็นของป่าเถื่อนที่คนป่าเถื่อนเขาถือกันเป็นของสำหรับคนป่าเถื่อนที่ไร้ความเจริญ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 จนถึงกับมีจิตใจสูงมีความผูกพันอาลัยอยู่ในกามาพบแต่เพียงเล็กน้อยที่สุดถือกันว่าจะเวียนมาสู่โลกนี้เพียงครั้งเดียวจึงได้ชื่อว่าพระสกิทาคามีตอนนี้ควรทำความเข้าใจคําว่าพระโสดาบันเสก่อนจะช่วยให้เข้าใจคําว่าสกิทาคามีง่ายขึ้น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 พระอริยะบุคคลชั้นนี้นอกจากจะละกิเลส ช, ชั้นต้นได้อย่างพระสกิทาคามีแล้วยังละสังโยชน์ข้อที่สที่หได้อีกด้วยสังโยชน์ข้อที่สี่เรียกว่าการมราคะข้อที่หเรียกว่าปฏิคาการมาราคะนั้นหมายถึงของรักของใครที่พระโสดาบาันและพระสกิทาคามีละไม่หมด ยังมีความพอใจในของรักของใครเหลืออยู่ทั้งท้งที่ท่านรักศักกายทิฐิวิจิกิจฉาศีลพัตปป a มาต a ได้แล้วแต่ก็ไม่สามารถละความติดในการมาราคาได้ทั้งหมดยังเหลืออยู่เป็นบางส่วนแต่พอมาถึงอันดับที่สคือพระอนาคามีนี้ท่านย่อมละออกได้หมดไม่มีเหลือ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 จะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสชั้นไหนประเภทไหนลักษณะอย่างไรก็ตามก็เรียกว่าการทั้งนั้นความที่จิตยังติดอยู่ได้ความพอใจในสิ่งที่รักใคร่เช่นนี้เรียกว่าการมราคะได้ทุกวิถีทางที่เรียกว่าปฏิฆะนั้นเป็นความกระทบกระทั่งแห่งจิตที่ม่รู้สึกไม่พอใจถ้าพอใจ ก็จัดเป็นการมาราคะไม่พอใจจึงจับเป็นปฏิคะความรู้สึกส่วนมากของคนเรามีอยู่อย่างนี้ปฏิคะอาจจะเกิดได้แม้ต่อสิ่งที่ไม่มีวิญญาณและถ้ามากไปกว่านั้นก็ไม่พอใจแม้แต่สิ่งที่ทำเองหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเองส่วนที่มีอาการโกรธเกรียดพยาบาทคนอื่นนั้น เป็นปฏิฆะที่รุนแรงเกินไปซึ่งพระอริยะบุคคลชั้นต้นๆ้นกว่านี้ก็พอจะละได้ตามสมควรที่เหลืออยู่สําหรับให้พระอริยเจ้าชั้นที่สามละนี้หมายถึงความกระเพื่อมแห่งจิตชั้นละเอียดจนบางทีก็ไม่ปรากฏอะไรออกมาเป็นความขุ่นอยู่ข้างในดูสีหน้าจะไม่ทราบว่ามีความไม่พอใจอยู่ข้างในเป็นต้น เช่นความหงุดหงิดรำคาญขัดใจในคนหรือสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นไปตามปรารถนาถ้าผู้ใดละปฏิฆะทุกชนิดได้สิ้นเชิงท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าจะอยู่ในฐานะที่น่าบูชาสักเพียงไรหรือเป็นบุคคลพิเศษสักเพียงไหนกิเลส ท, ทั้งห้าข้อที่กล่าวมาแล้วนี้ท่านจัดไว้ว่าเป็นขั้นต่า นับตั้งแต่สั ก, กายทิฏฐิวิจิกิจฉาศิลพัตตปรามาส ก, กามราคะจนถึงปฏิฆะพระอริยบุคคลประเภทที่สามละได้หมดเพราะไม่มีกามราคะเหลืออยู่เลยพระอริยเจ้าประเภทนี้จึงไม่เวียนมาสู่กามภพอีกต่อไปเป็นเหตุให้ได้นามว่าอนาคามีแปลว่า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 ในเมื่อเลื่อนมาถึงพระอริยเจ้าชั้นสุดท้ายคือพระอรหันต์ทั้งนี้ก็เพราะความสงบสุขเยือกเย็นอันเกิดมาแต่รูปบริสุทธ์ก็มีรสชาติที่จับอกจับใจจนถึงกับพอจะเรียกได้ว่าเป็นพระนิพพานชิมลองดูก่อนเป็นพระนิพพานล่วงหน้าแล้วมีรสอย่างเดียวกันหรือทำนองเดียวกับรสของพระนิพพานที่แท้จริง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 เป็นเหตุให้ใจหวั่นไหวไปบ้างเพราะเหตุที่รู้สึกเช่นนั้นอยู่จึงยังไม่เป็นความสงบสุขจริงๆสังโยชน์ข้อที่เกาเรียกว่าบุทธะแปลว่าความกระเพื่อมความฟุง้งหรือความไม่สงบนิ่งเช่นความรู้สึกที่กระพือขึ้นในเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่น่าสนใจผ่านมาคนเรา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 อวิชชาทําให้คนสําคัญผิดเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เรียกว่าเป็นความสุขจนถึงกับพอใจยอมเวียนว่าอยู่ในกองทุกข์และสําคัญผิดในเหตุของความทุกข์จนไปคว้าเอาแต่สิ่งที่ผิดไว้หรือเกิดความโง่เขลาใหม่ๆขึ้นมาเช่นการโทษผีสางเทวดาโทษอะไรต่างๆว่าเป็นเหตุให้เกิดเจ็บไข้หรือเคราะห์ร้าย แทนที่จะรักษาหรือแก้ไขโดยวิธีที่ถูกต้องก็ไปนั่งบนบานผีสางเทวดาอยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าอาวิชชาเป็นต้นเหตุของความทุกข์ชั้นต่ำที่สุดนี่เป็นตัวอย่างสำหรับอวิชชาในเรื่องความดับสนิทของทุกข์นั้นคือไม่รู้เรื่องการดับกิเลสตัณหาซึ่งเป็นต้นเหตุของการดับทุกข์โดยตรง ไป ห, หลงเอาความสงบสุขหรือความไม่รู้สึกตัวชนิดที่เกิดมาจากสมาธิหรือฌานสมาบัติว่าเป็นการดับทุกข์สิ้นเชิงซึ่งมีดกดื่นในสมัยพุทธกาลและยังคงส่งเสริมกันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้บางครั้งยังอาจถึงกับยึดเอาการมารมเป็นเครื่องดับทุกข์อย่างที่บางคนได้ยึดเป็นหลักไว้ว่า การมารมณเป็นของจำเป็นมากหรือเป็นอาหารสำหรับชนิดหนึ่งของชีวิตแทนที่จะมีเพียงปัจจัยสี่อย่างคืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค ก, ก็เพิ่มเอาการมารมณเข้าไปอีกอย่างหนึ่งรวมเป็นปัจจัยห้าอย่างอย่างนี้ก็มีบางลทัทธินิกายได้เอาการมารมณ์เป็นเครื่องดับทุกข์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 ตนกำลังถูกแสงของอวิชานิบังลูกตาอยู่จึงไม่สามารถจะเอาชนะความทุกข์ได้งัวแต่หลงในสิ่งที่เล็กน้อยไม่เป็นสาระอย่างเทิดทูนบูชาลหลงไหลในการมรมณ์ต่างๆว่าเป็นสิ่งดีที่สุดของมนุษย์ซึ่งทุกคนควรจะได้รับเสียก่อนที่จะตายแล้วจะแก้ตัวว่าทําเพื่ออุดมคติอันอื่นอย่างไรได้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 คือเป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาพระอริยเจ้าทั้งสี่ประเภทกล่าวคือพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและพระอรหันนี้จัดว่าเป็นผู้ที่อยู่ในโลกุตระภูมิตัวธรรมที่ได้บรรลุเรียกว่าโลกุตระธรรม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 คู่กับสกิทาคามิผลอนาคามิมักคู่กับอนาคามิผลอรหัตตมักคู่กับอรหัตตผลเป็นสี่คู่เติมนิพพานเข้าไปอีกหนึ่งจึงเป็น9ก้าเรียกว่าโลกุตระธรรมก้าบุคคลในโลกุตระภูมิเป็นผู้ที่มีความทุกข์น้อยลง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 สิ่งต่างๆซึ่งเป็นที่ตั้งของความพอใจหรือไม่พอใจในโลกก็ไม่สามารถจะครอบงำจิตใจหรือมีอิทธิพลเหนือจิตของท่านได้อีกต่อไปเพราะท่านละกิเลสทุกชนิดได้หมดจดสิ้นเชิงส่วนที่เรียกว่านิพพานนั้นถ้าเป็นเรื่องโลกุตรธรรมก็หมายถึงสภาพอย่างหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกับสิ่งใดๆหมด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 เป็นเรื่องสุดท้ายของการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนายาระงับสับพทุกต้นไม่รู้ไม่ชี้นี่เอาเปลือกต้นช่างหัวมัน น, นั้นเลือกเอาแก่นแข็งอย่างนั้นเองเอาแต่รากริดมันแรงไม่มีกูของกูแสวงเอาแต่ใบ ไม่น่าเอาน่าเป็นเฟ้นเอาดอกตายก่อนตายเลือกออกลูกให ญ, ใหญ่หกอย่างนี้อย่างละช่างตั้งเกณฑ์ไว้ดับไม่เหลือสิ่งสุดท้ายใช้มเมล็ดมันหนักหกช่างเท่ากับยาทั้งหลายเคล้ากันไปเศกคถาที่อาถรรสัพเพธรรมานาลัง อภินิเวศอันเป็นธรรมชั้นหาฤทัยในพุทธนามจัดลงหม้อใส่น้ำพอท่วมยาเขียวไฟกล้าเหลือได้หนึ่งในสามหนึ่งช้อนชาสามเวลาพยายามกินเพื่อความหมดสัพโรคเป็นโรคอุดร